มาศึกษาความรู้จากพระพุทธศาสนามาเรียนรู้วิธีหาความสุขให้กับพวกเราซึ่งวิธีหาความสุขของพวกเรานี้ก็มีสองทางเลือกด้วยกันคือหนึ่งความสุขทางร่างกาย ก็สองความสุขทางจิตใจที่พวกเราสามารถที่จะหากันเพื่อให้เรามีความสุขได้ความสุขทางร่างกายนี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบที่จำเป็นแบบที่มีคุณมีประโยชน์ และแบบที่ไม่จำเป็นแบบที่มีโทษตามมาการหาความสุขทางร่างกายแบบที่มีคุณและจำเป็นต้องมีก็คือการเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่เพราะถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่คือขาดอาหาร ขาดเครื่องนุ่งหม่มขาดที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรคร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าได้รับการดูแลเลี้ยงดูด้วยอาหารด้วยที่อยู่อาศัยด้วยเครื่องนุ่งหม่มด้วยยารักษาโรค ร่างกายก็จะอยู่เป็นปกติสุขนี่คือความสุขทางร่างกายทางหนึ่งที่เป็นทางที่พวกเราต้องหากันทุกคนเพราะถ้าขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงกับตายไป เราจึงต้องมีปัจจัยสี่แต่ปัจจัยสี่นี้ก็มีอยู่หลายระดับหลายแบบหลายราคาด้วยกันเช่นอาหารก็มีหลายแบบหลายราคาเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันยารักษาโรคก็เหมือนกัน การจะหาปัจจัยสีน่นี่ขอให้เราดูที่ผลที่จะได้รับจากปัจจัยสี่คือถ้าปัจจัยสี่สามารถทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ก็ถือว่าใช้ได้ อย่าไปดูที่รูปแบบลักษณะหรือราคาซึ่งมันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาให้กับการหาปัจจัยสี่มากจนเกินไปถ้าเรามีปัจจัย4ี่แบบพอเพียงอย่างที่ในหลวงรัชการที่๕รัชการที่า เคยสงสอนอยู่เรื่อยๆให้พวกเรามีเศรษฐกิจพอเพียงก็คือให้เรามีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆมีรูปแบบที่สวยงาม เพราะว่าราคาหรือรูปแบบนี้มันก็ไม่ได้มาเสริมหน้าที่ของปัจจัยสี่แต่อย่างใดปัจจัยสี่ที่แบบเรียบง่ายที่ไม่มีราคาแพงกับปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงมีรูปร่างสีสันต่างๆมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกัน อย่าไปหลงไหลกับเรื่องราคาของปัจจัยสีนะ่ขอให้ดูประโยชน์ของปัจจัยสี่ว่าจะสามารถทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เย็นเป็นสุขได้หรือไม่เท่านั้นก็พอนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องดิ้นรนกันมากจนเกินไป เพราะการดิ้นรนมากจนเกินไปแทนที่จะให้ความสุขกับเรากลับมาทําให้เรามีความทุกข์ในการที่จะพยายามหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายนั่นเองแทนที่จะมีความสุขกับต้องมีความทุกข์กับการหาปัจจัยสี่ที่เกินฐานะที่เทินที่เกินกําลังของเราะ ยัง ห, หาปัจจัยสี่ตามฐานะตามกำลังของเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาปัจจัยสี่กันนั่นเองให้มีอาหารพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ให้หิวไม่ให้อุดอยากขาดแคลนให้มีเสื้อผ้าไว้ปกปิดร่างกาย ให้มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆและให้มียารักษาโรคไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บซึ่งปัจจัยสี่นี้ก็มีหลายระดับหลายราคาด้วยกันแต่ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดราคาใดเขาก็ทำหน้าที่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราอยากจะ มีความสุขทั้งทางร่างกายและทางใจขอให้เราหาปัจจัยสี่ตามกำลังของเราตามความเหมาะสมตามความพอเพียงของร่างกายแล้วเราก็จะไม่ต้องมาวุ่นวายใจกันถ้าเราพยายามหาปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆมันก็อาจจะทำให้เรานี้ยุ่งยาก วุ่นวายทางด้านจิตใจในการหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อปัจจัยสีที่เราไม่จําเป็นจะต้องซื้อก็ได้นี่คือการหาความสุขระดับพื้นฐานของพวกเราทุกคนพวกเราจําเป็นจะต้องมีปัจจัยสีไว้เลี้ยงดูร่างกายก็ขอให้ หาปัจจัยสี่แบบพอเพียงแล้วก็แบบเรียบง่ายไม่ต้องให้มันหรูหราให้มันสวยงามให้มันแพงมีราคาแพงๆอาหารมื้อละห้าิบบาทกับอาหารมื้อละห้ารอบาทมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันคือดับความหิวให้กับร่างกาย ให้ร่างกายมีความอิ่มไปชั่วระยะหนึ่งห้าสิบบาทห้าร้อยบาทก็มีหน้าที่เหมือนกันก็เอาห้าสิบบาทมันสบายกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องไปติ้หลนหาเงินกันให้มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งทางร่างกายและทางจิตใจอันนี้ก็ขอให้ดูกำลังของเราก็แล้วกัน ถ้าเรามีกําลังจะรับประทานอาหารมือละห้าร้อยก็ไม่ห้ามถ้ามันไม่มากดดันจิตใจของเราไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราเพราะเป้าหมายของเราคือเราต้องการหาความสุขกันทั้งทางร่างกายและทางจิตใจดังนั้นอย่าให้การหาเงินหาความสุขทางร่างกายมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพราะนี่มัน มันได้ไม่คุ้มเสียมันเหมือนกับขาดทุนได้ความสุขทางร่างกายแต่ต้องมาทุกข์กับทางใจเนเราต้องการหาความสุขทั้งทางร่างกายและทางใจเห็นขอให้เราคอยสังเกตดูเวลาที่เราหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกายว่ามันมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราหรือไม่ ถ้ามันมาสร้างความทุกข์สร้างความวิตกกังวลเราก็ต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนวิธีหาแล้วแสดงว่าหาไม่ถูกวิธีแทนที่จะได้ความสุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจกลับได้ความสุขทางร่างกายแต่กลับต้องมาได้รับความทุกข์ทางใจซึ่งความทุกข์ทางใจนี้มันจะ รุนแรงกว่าความสุขที่ได้ทางร่างกายเนี่จึงต้องคอยสังเกต ด, ดูทางใจอย่าให้ใจต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายเพราะร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวและไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ความจริงเป็นคนรับใช้เราแต่พวกเราอาจจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เราเป็นผู้ที่มาตอบสนองความอยากความต้องการของเราเราคือผู้รู้ผู้คิด ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความต้องการของเราแต่ความต้องการของเรานี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเราโดยที่เราไม่รู้ถ้าเราได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้รู้ว่าความอยากความต้องการของเรานี้ ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราความจริงแล้วมันกลับให้ความทุกข์กับเรามากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากมันนี่คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีหาความสุขแบบไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจอันดับแรกก็ หาเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่บองร่างกายว่าเป็นเหมือนคนรับใช้เราเราจะได้ไม่ต้องเลี้ยงดูมันมากเกินไปเวลาเรามีคนรับใช้กับเรามีเราเนี่เราเลี้ยงคนรับใช้กับเลี้ยงตัวเรานี่เหมือนกันหรือเปล่ามักจะไม่เหมือนกันเท่าที่สังเกตดูคนขับรถคนรับใช้ก็ให้ไปกินร้านอาหารหนึ่ง ส่วนเจ้านายก็ไปกินอีกล้านอาหารหนึ่งเจ้านายก็ให้ลูกน้องไปส่งกินอาหารที่โรงแรมลูกน้องก็ไปนั่งกินอาหารที่ข้างถนนหน้าโรงแรมเนี่ยเราควรจะเลี้ยงร่างกายเราเหมือนเลี้ยงลูกน้องตัวเราคือใจเราต้องเลี้ยงใจด้วยอาหารของใจนะครับ อาหารของร่างกายนี้เป็นอาหารของคนใช้ไม่ต้องไปเลี้ยงมันในโรงแรมในร้านอาหารหรือรอัเพราะเขาเป็นคนรับใช้เราเขาเป็นคนขับรถให้เราคนขับรถก็ไปกินอาหารที่หน้าโรงแรมส่วนเจ้าเจ้าของรถก็ไปกินอาหารในโรงแรม ใจก็ไปหาอาหารใจกินกันจึงไม่ควรที่จะไปเสียเงินเสียทองเสียเวลาให้มากจนเกินไปในการเลี้ยงดูร่างกายซึ่งเป็นคนใช้ของเราเลี้ยงมันแบบเราเลี้ยงคนใช้เราเลี้ยงคนใช้อย่างไรเราก็เลี้ยงร่างกายของเราอย่างนั้นคือให้มันมีปัจจัยสี พื้นฐานพออยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยากขาดแคลนไม่ถูกภัยต่างๆคุกคามก็พอเพียงแล้วทำไมเราต้องทำอย่างนี้เพราะมันจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระให้แก่ใจผู้ที่จะต้องไปหาปัจจัยสี่ต่างๆนี้มาเลี้ยงดูร่างกายนั่นเอง แต่จะได้ไม่ต้องเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากจนเกินไปหาพอให้มันอยู่ได้ก็พอคิดดูถ้ากินมื้อละห้าสิบได้กับกินมื้อละห้าร้อยนี่ประหยัดไปต้องกี่สตังค์การหาเงินก็ไม่ต้องหามากเพราะว่าเราลดรายจ่ายไปหนึ่งต้องสิบเท่าเดยกันการหาเงินหารายรับก็ลด ภาระลงไปสิบเท่านี่คือการหาเงินหาทองมันก็จะเป็นภาระกดดันจิตใจทำให้จิตใจเครียดกันเนี่ยทุกวันนี้ที่พวกเราเครียดกันเครียดกับอะไรก็เครียดกับการหาเงินหาทองนี่เครียดกับเรื่องเศรษฐกิจขึ้นขึ้นลงลงเครียดกับดอกเบี้ยที่ขึ้นที่ลง มีเครือเครียดกับราคาน้ำมันที่ขึ้นที่ลงเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองที่เราต้องหากันนั่นเองถ้าเราประหยัดรู้จักประหยัดใช้แบบให้เกิดประโยชน์แต่ประหยัดได้ได้ผลเท่ากันเรื่องอะไรเราจะใช้แบบพุ่มเฟือยกันทำไมเมื่อของอย่างเดียวกันสามารถทาหน้าที่ได้เหมือนกัน แต่มีราคาถูกกับราคาแพงทำไมไปซื้อของราคาแพงมาใช้เมื่อของราคาถูกก็สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกันนี่คือการหาความสุขให้กับร่างกายนี่เป็นแบบที่เราต้องรู้จักหาหาด้วยความประหยัดมัธยัตย หาด้วยความพอเพียงไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอให้เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้มากเกินไปก็เป็นโทษกับร่างกายกินอาหารมากเกินไปเดี๋ยวก็เกิดโรคภัยต่างๆตามมามีโรคไขมันอุดตันความดันสูงมีน้ํามันมีเบาหวานมีโรคอะไรต่างๆ อันนี้เป็นผลจากการบริโภคอาหารมากเกินไปต้องอาหารก็ต้องบริโภคตามความต้องการของร่างกายคือการดับความหิวของร่างกายอย่าใช้อาหารเป็นเครื่องหาความสุขให้กับจิตใจเพราะมันจะกลายเป็นพิษต่อร่างกายแล้วมันก็จะกลายเป็นทุกข์ต่อจิตใจต่อไป เวลาที่ร่างกายเจ็บไายได้ป่วยจิตใจก็ต้องทุกข์เพราะจิตใจรักและหวงและหวงร่างกายจิตใจต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับจิตใจนั่นเองพอร่างกายเป็นอะไรไปเนี่ยการหาความสุขให้กับจิตใจและร่างกายก็จะหยุดชะ ง, งักลง เก็บไข้ได้ป่วยก็ไปทำงานหาเงินหาทองไม่ได้ถ้าไม่มีเงินเก็บเก็บไว้ก็จะเดือดร้อนได้เดือดร้อนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจดังนั้นขอให้เรารู้จกักเลี้ยงดูร่างกายให้มันเกิดประโยชน์สุขต่อร่างกายและจิตใจอย่าให้มันเกิดเป็นความทุกข์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจนะ้ดยการรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอเพียงหรือความพอดีนะมากเกินไปน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะแพงเกินไปถูกเกินไปก็ไม่ดนะีขอให้ดูที่ผลที่จะได้รับจากการ ใช้ปัจจัยสี่ว่ามันทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายของเราได้หรือไม่ก็พ อ, อนี่คือการหาความสุขทางร่างกายอันดับแรกที่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องรู้จักหากันจะหาแบบไม่มีพิษมีภัยไม่มีโทษหรือหาแบบมีพิษมีภัยก็ขึ้นอยู่ว่ารู้จักหาหรือไม่ ถ้าได้พบกับบัณฑิตเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้เรียนรู้วิธีหาเลี้ยงดูร่างกายแบบถูกต้องแบบที่ไม่มีโทษตามมามีแต่ประโยชน์โดยถ่ายเดียวพอเราได้เลี้ยงดูร่างกายแล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าความสุขที่เราได้รับจากปัจจัยสี่ ถ้าเราไปหาความสุขผ่านทางร่างกายคือผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้จะเป็นความสุขปลอมจะเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เพราะว่ามันเป็นความสุขแบบยาเสพติดถ้าเราหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปดูไปฟังไปริมรสดมกลิ่น ด้วยความอยากไม่ใช่ด้วยความต้องการของร่างกายอันนี้มันจะทำให้เราติดเหมือนเราติดยาเสพติดเราเคยดูภาพยนต์ดูละครเคยฟังเพลงเคยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราได้รับความสุขของมันเพียงประเดียวประดาวในขณะที่เราได้ไปสัมผัส แต่พอเรากลับมาอยู่บ้านความสุขที่ได้จากการสัมผัสรูปเสียงกลจลดต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึก ว, ว้าเหวรู้สึกขาดอะไรรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวจึงบังคับให้เราต้องออกไปหาความสุขใหม่อีกรอบหนึ่ง ออกไปเที่ยวออกไปดูออกไปฟังออกไปกินไปดื่มไปทำอะไรตามที่เราเคยทำเคยที่ได้รับความสุขจากมันความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่อันตรายเพราะมันจะมีโอกาสที่จะไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายแก่ ร่างกายพิกลพิการการจะหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะยากหรือเป็นไปไม่ได้เนี่พอเป็นไปไม่ได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจมีความเศร้ามีความว้าเหวจนบางครั้งถึงกับทนไม่ได้ถึงกับคิดฆ่าตัวตายกั น, นอันนี้เป็น ทิศของการที่ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายคือผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายพร้อมขาดปัญญาความรอบคอบที่ไม่ดูความสามารถในการหาความสุขแบบนี้ว่าจะสามารถหาไปได้ตลอดหรือไม่ซึ่งมันจะต้องมีอุปสรรคที่จะทําให้ไม่สามารถหาความสุข ผ่านทางตาหูจมูกลื่นกายได้เพราะหนึ่งร่างกายก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องเสื่อมลงไปตามการตามเวลาตาตาก็จะเสื่อมลงหูก็จะเสื่อมลงอวัยวะที่ใช้ในการหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะเสื่อมลงไปความสามารถในการหาความสุขผ่านทางร่างกายก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ และอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขก็คือเงินทองก็อาจจะไม่พอเพียงก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักควบคุมรายจ่ายใช้ไปแล้วอาจจะไม่พอใช้ก็ได้ในวันใดวันหนึ่ง แล้วตอนนั้นก็จะมีปัญหามีความทุกข์ใจตามมาเฉั้นทางที่ดีถ้าอยากจะหาความสุขเพิ่มเติมจากความสุขที่เราได้จากปัจจัยสี่แล้วก็ให้มาหาความสุขทางใจแทนจะดีกว่าอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมกูกมือกายกันมาหาความสุขทางใจนี้จะไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับ ความสุขที่เราหาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนละเป็นความสุขที่จีรังยั่งยืนกว่าความสุขที่ได้จากการหาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขทางใจนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่ามีอยู่สามระดับด้วยกันระดับธานระดับศีลระดับภาวนา นี่คือวิธีหาความสุขให้กับใจที่จะไม่มีพิษไม่มีภัยต่อจิตใจไม่มีโทษตามมามีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียววิธีแรกคือทานทานก็คือถ้าเรามีเงินเหลือจากการเลี้ยงดูร่างกายแล้วเราคิดจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้เอามา หาความสุขจากการทาทานจะดีกว่าการทำทานก็คือบริจาคเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ในการหาความสุขจากรูปเสียงกิริย์ต่างๆนี้มาทำบุญทำทานมาบริจาคมาแบ่งปันให้กับผู้ที่เขาขาดแคลนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไม่ว่าจะทำทานที่ไหนก็ได้อ น, นิสงส์เหมือนกัน ได้ความสุขใจเหมือนกัน ừ, การทําทานนี้ก็เป็นการหาความสุขใจเหมือนกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายต่างกันตรงที่มันจะไม่ทำให้เราติดเหมือนติดยาเสพติดถ้าเราไม่มีเงินจะทําบุญทําทานเราก็จะไม่รู้สึกเหง า, ว, าว้าเหวเดือดร้อนแต่อย่างใดแต่ถ้าเราเอาเงินไปใช้กับ การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาไม่มีเงินทองจะไปหามันจะทำให้เราหดเย็ดดาคานใจ ว, ว้าเห่เศร้าส้อยง่อยเหงาเนี่ยผลมันต่างกันตรงนี้นั้นต้องเห็นโทษของการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายขอให้คิดว่ามันเป็นยาเสพติดดีๆนี่ เ, เพียงแต่ว่าเมื่อทุกคนหากัน แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถที่จะหาความสุขแบบอื่นได้ก็เลยไม่ไม่ถือว่ามันเป็นยาเสพติดแต่มันก็เป็นยาเสพติดมันเสพเสพแล้วมันติดมันใครดูอะไรแล้วมันก็ติดอยากจะดูไปเรื่อยๆพอเวลาไม่ดูมันก็รู้สึกเหงาขึ้นมาแต่มันพิษของมันอาจจะไม่รุนแรงเหมือนยาเสพติด เขาจึงไม่ได้มาห้ามแต่ยาเสพติดนี่มันรุนแรงกว่าแต่มันก็เป็นเหมือนยาเสพติดตถ้าไม่ได้เสพมันนานๆเข้ามันก็อาจจะทำให้เราคิดอยากจะฆ่าตัวตายก็ได้อันนี้คืออย่าหาความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายถ้ายังหาอยู่ก็ถ้ายังเลิกไม่ได้ก็ ให้ลดน้อยลงหน่อยแบ่งมาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีแบ่งไปทางตาหูจมูกิ้นกายสักครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งมาทาบุญทาทานสักครึ่งหนึ่งสมมติเรามีเงินที่จะเอาไปใช้ซื้อความสุขก็แบ่งหารสองก็แล้วกันว่าไปหาความสุขจากการเที่ยวดูหนังฟังเพลงบันเทิงอะไรต่างๆครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เอามาหาความสุขจากการทาบุญทาทาน ทำบุญทำทานที่ไหนแบบไหนก็ได้ที่ทําให้เรามีความสุขใจคนบางคนมีความสุขใจกับการปล่อยนกปล่อยปลาก็ไปปล่อยนกปล่อยปลามีความสุขใจกับการไปถ่ายชีวิตวัวควายก็ไปทาถ่ายชีวิตวัวควายได้มีความสุขกับการไปวัดไปทาบุญกับพระไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์หรือ อะไรก็ทำได้เหมือนกันมีความสุขกับการไปสนับสนุนโรงพยาบาลช่วยสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยหรือซื้อเครื่องมือแพทย์ก็ทำได้หรือสนับสนุนโรงเรียนให้โรงเรียนมีอุปกรณ์ในการสั่ ง, ส, งสอนเด็กนักเรียนให้มีอาคารพอเพียงอะไรต่างๆที่ขาดแคลน หลือช่วยองค์กรสาธารณกุศลต่างๆสภากาชาติไทยมูลนิธิปอเต็งร่วมกตัญญูเนี่ยองค์กรเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขการที่เราได้มีส่วนร่วมก็เท่ากับการ ให้เรามีการให้ความสุขแก่ผู้อื่นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นมันก็ทำให้เรามีความสุขในใจเราขึ้นมาถ้าเราไม่ทำเราจะรู้สึกเฉยเฉยแต่พอเราทำแล้วเราจะรู้สึกอิ่มใจสุขใจแล้วอยู่กับใจเราไปนานกว่าความสุขที่เราได้จากการไปหาทางตาหูจมูกลิ้นกาย ที่หายไปหลังจากที่เรากลับมาจากที่เราไปกันไปเที่ยวกันสามวันห้าวันพอกลับมาหายไปหมดละถึงบ้านลุ่งช้าไปทํางานความเครียดความทุกข์อะไรต่างๆกลับเข้ามาแล้วความอยากเที่ยวก็ตามมาในวันหยุดครั้งต่อไปก็ต้องคิดหาที่เที่ยวอีกเพราะอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่บ้านแล้วรู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวย แต่ความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้ไม่เหมือนกันกลับมาจากที่เราไปทำบุญทำทานแล้วยังรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจนะถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายวันหลายเดือนเมื่อคิดถึงมันมันก็ยังทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาได้เพราะบุญที่เราทำนี้ยังไม่หมดมันยังสะสมอยู่ในใจของเรามันยังมี มันจะรอเวลาที่มันต้องทำหน้าที่ต่อไปอีกมันจะมาทำตอนที่ร่างกายเราตายเนี่ยเวลาที่เราไม่มีร่างกายบุญที่เราทำนี่แหละที่จะมาให้ความสุขกับเราเนี่อันนี้ได้มีคุณประโยชน์หลายหลายมุมด้วยกันประโยชน์แรกก็ตอนที่เราทำเราก็มีความสุขทำผ่านไปแล้ว ก็มีความสุขเวลาคิดถึงมั น, เ, นเวลาตายไปก็บุญนี่แหละที่จะมาทำให้เรามีความสุขทำให้เราเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขทำให้เราไปอยู่ในสุกติไปอยู่กับพวกเทวดาทั้งหลา ย, ยไม่ต้องไปอยู่กับพวกเปรตพวกอสูรละกายพวกนรกนี่นี่คือ โยที่เราจะได้จากการทำบุญทางจิตใจแล้วนอกจากนั้นหลังจากที่เรากลับมาเกิดใหม่เราก็มีบุญมารอรับเราอยู่อย่างี้ข้าวของเงินทองต่างๆที่เราทำไวน้นี่เหมือนกับฝากไว้ในธนาคารพอกลับมาเกิดก็มาเกิดบนกองเงินกองทองกลับมาเกิดกับครอบครัวพ่อแม่ที่มีฐานะดีเด่นมีเงิ น, ม, งนมีทองยกตัวอย่าง พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็เป็นพระเวชสันดอนท่านก็ทํําทาบุญบริจาคข้าวของเงินทองอย่างมากมายใครขาดแคลนอะไรใครเดือดร้อนอะไรใครต้องการอะไรถ้ามาขอเราจะไม่ปฏิเสธจะให้ถ้ามีให้นแม้แต่ลูกก็ยังยกให้ผู้อื่นไปได้นอันนี้พอท่านตายไป ดวงวิญญาณของท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิดก็มาได้เป็นเจ้าชายศิทธัตถานีมาเป็นราชกุมารเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติต่างๆเช่นภาษาสามฤ ด, ดูมีบริสัท์บริวารห้อมล้อมคอยให้ความสุขรับใช้ตลอดเวลานี่แหละคือ ความสุขที่เราได้จะได้จากการทำบุญทาทานเป็นความสุขที่ไม่สูญเปล่าเป็นความสุขที่ติดอยู่กับใจของเราไปเป็นเวลาอันยาวนานดันงนั้นนี่แหละคือวิธีหาความสุขเพิ่มเราความสุขพื้นฐานคือความสุขจากปัจจัยสี่พอเราเลี้ยงดูร่างกายของเราอิ่มน้าสำลารมีความสุขทางร่างกายแล้ว ถ้าเราอยากจะต้องการความสุขเพิ่มมากกว่านั้นเราก็ต้องไปทําบุญกันทําบุญทําทานถ้าเรามีเงินทองที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เปลี่ยนมาซื้อความสุขด้วยการทําบุญทําทานจะมีประโยชน์กว่าเป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์ตามมา ถ้าไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจะมีทุกข์ตามมาพอรมพอเวลากลับมาจากการไปหาความสุขความสุขนั่นก็หายไปแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาความว้าเหวก็จะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าไปถ้าไม่มีเงินไปหาก็จะยิ่งทุกข์ใหญ่ขาวต่อไปอยากจะไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินไปเที่ยว เลยร่างกายไม่สบายไปเที่ยวไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นก็จะไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ใจแต่ถ้าเราทำบุญนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ไม่เดือดร้อนความสุขใจที่ได้จากการทำบุญก็ไม่ได้หายไปไหนมาพยงมาให้ความสุขกับเราในขณะที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วขณะที่เรา ไม่มีเงินทองที่จะไปทำบุญไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนนี่คือวิธีการหาความสุขแบบไม่มีพิษไม่มีภัยอย่าไปหาความสุขแบบมีพิษมีภัยคนที่ค่าตัวตายกันเนี่ยก็เพราะเขาไม่สามารถหาความสุขตามความที่เขาอยากได้นั่นไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายได้ เขาก็เลยทนไม่ไหวต่อความซึมเศร้าต่อความว้าเหวก็เลยฆ่าตัวตายเราอย่าไปทางนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปฆ่าตัวตายกันแล้วเวลาตายไปเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไปถ้าเราหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมีแต่ความหิวโหวยไปติดไปกับเรา เวลาตายก็อาจจะไม่ได้ไปเกิดในสุขติถ้าไม่ได้ทำบุญไม่มีบุญพาเราไปแล้วถ้าเกิดเราหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายด้วยการทำบาปมันก็จะเดึงให้เราไปเกิดในอบายไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความหิวโหยเรียกว่าเปรตมีดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าอาสูรลกาย มีดวงวิญญาณที่โกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเรียกว่านารกเนี่ยอันนี้จะเป็นที่ไปถ้าเราไม่ระมัดระวังเพราะเวลาที่เราหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบางครั้งบางเวลาก็อาจจะไป ม, มีปัญหากับผู้อื่นก็ได้อาจจะมีการทะเลาะเบาแวง้งมีการทุบตีกันมีการร้างแค้นกัน ก็จะทำให้ใจร้อนเป็นไฟเป็นนรกขึ้นมาอันนี้คือความสุขทางร่างกายแบบที่เราไม่ควรจะกระทากันคือทางตาหูจมกูกลิ้นกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอาเงินที่จะไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสนี้มาทําบุญทําทานกันนะแล้วเราจะน้อยมีความสุขความสุขระดับที่สองทางใจ ที่จะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้ก็คือการรักษาศีลคือการไม่ทำบาปทั้งปลวงให้เรามาล ะ, ะการฆ่าสัตว์ละการรักทรัพย์ละเว้นการประพฤติผิดประเวณีละเว้นการพูดปลดละเว้นการดื่มสุรายาเมาที่ทำให้ขาดสติและให้ละอบายมุขอื่นๆด้วย นอกจากสุลาแล้วก็ให้ละเว้นการเล่นการพนันการเที่ยวเตะการการความเกลียดค้านและการคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเนี่ยคบกับคนที่ชอบกินเหล้าเขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันชดชดคบกับคนที่ชอบเที่ยวเขาก็จะดึงเราไปเที่ยวคบกับคนที่ เกียรติค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียรติค้านถ้าเรายุ่งเกี่ยวกับอบายามุขมันก็จะทําให้เราไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเมื่อมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้เดี๋ยวเงินทองก็ต้องขาดแคลนไม่พอใช้พอเงินทองขาดแคลนไม่ได้มีงานทําไม่ได้ทํามาหากินก็จะต้องไปหาโดยวิธีทุจริตนั่นเองไปทําบาป ไปโกหกหลอกลวงขอยืมเงินของผู้อื่นแต่ไม่ได้ใช้เขาพอยืมไม่ได้เขารู้ทันก็ต้องไปลักขโมยนะักขโมยบางทีไม่ได้ก็ต้องหาวิธีอื่นด้วยการป้นด้วยการจี้แล้วถ้ามีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันตามมานี่คือผลที่จะเกิดถ้าเราไปเสพอบายามุข งนอย่าไปเสพอบายามุกแล้วโอกาสที่เราจะทาบาปมันจะยากมันจะมีน้อยแต่มันยังมีอยู่แต่อย่างน้อยเราก็ปิดช่องทางหนึ่งไปช่องทางของอบายามุกเนี่ยทางอื่นเราก็ต้องพยายามใช้สติควบคุมบังคับใจสอนใจให้รู้ถึงโทษของการทำบาปเวลาทำบาปแล้วใจเราจะไม่สบายทำบาปเราจะวิตกกังวล หวาดกลัวกับโทษที่จะตามมาถ้าไม่ทำก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเฉยๆไม่กังวลว่าใครจะรู้หรือไม่ว่าเราได้ทำผิดหรือไม่เพราะเราไม่ได้ทำผิดใครจะมากล่าวหามาว่าอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำบาปแต่ถ้าเราทำบาปแล้วถึงแม้ไม่มีใครเขาจะมามากล่าวหาเราก็ไม่สบายใจ กลัวเขาจะรู้เวลามองหน้าใครก็มองไม่สนิทใจแล้าก็กังวลว่าจะมีใครมาตามจับเราไปลงโทษหรือไม่นะทําบาปปั๊บนี่ผลเกิดขึ้นเหมือนกับบุญทันทีทําบุญปั๊บก็เกิดความสุขใจพอทําบาปปั๊บก็เกิดความร้อนใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาะ แล้วมันก็จะติดไปนานทุกครั้งที่เราคิดถึงบาปที่เราทำไว้มันก็ทำให้เราไม่สบายใจเหมือนกับทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทำไว้มันก็ทำให้เราสุขใจบาปมันตร ง, ตรงกันข้ามกับบุญและเวลาร่างกายตายไปบาปนี้ก็จะเป็นตัวดึงให้เราไปเกิดในอบายกันถ้าบุญไม่มีเลยถ้าไม่มีบุญมาต้านมานดึงไว้ ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปจะดึงดวงวิญญาณของเราให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้รับเวนอบายมุกได้โอกาสที่เราจะไปเกิดในบายนี้แทบจะไม่มีเลยแล้วถ้าเราทำบุญอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วรับประกันได้ว่าไม่ต้องไปเกิดในบาย ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะพังเผอทำทำบาปบ้างแต่บุญ ท, ที่เราทำอยู่เรื่อยๆนี้มันจะมีกำลังมากกว่าแล้วมันจะดึงใจดวงวิญญาณของเราให้ไปรับผลบุญก่อนส่วนผลบาปนี้รลอลงอายาไว้ก่อนรอเวลาที่บุญมีกำลังน้อยกว่าบาปถึงจะถูกไปจับไปลงโทษต่อไป นี่คือความสุขระดับที่สองที่เราสามารถหากันได้เวลาเรารักษาศีลได้เราไม่เสบบะบายยมุขเราไม่ทํำบาปนี่เราจะรู้สึกสบายใจจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจวิตกกังวลเดือดร้อนต่างๆนี่คือความสุขระดับที่สองที่พวกเราสามารถหากันได้เพิ่มขึ้นจากความสุขที่เราได้ทางร่างกายจากปัจจัยสี่ ก็มาทําบุญทาทานกันมาถือศีลห้ากันแล้วถ้ายังไม่พออยากจะได้ความสุขมากกว่านั้นอีกก็ยังมีขั้นที่สามให้เราหากันคือขั้นภาวนาการทำใจทาจิตให้สงบท่านนี้ต้องอาศัยการรักษาศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนรักษาศีลห้านี้มีกําลังไม่พอไม่พอที่จะดึงใจให้ไปภาวนา พอศีลห้ามไม่ห้ามให้เราไปทำอะไรอย่างอื่นได้ยังไปงานมันเกิดคนนั้นคนนี้ได้ไปกินข้าวเย็นได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้แต่พอมาถือศีลแปดแล้วนี่ศีลแปดจะห้ามห้ามไม่ให้ไปงานต่างๆงานบันเทิงงานมอหรลสบร้องราทำเพลงห้ามไม่ให้เสริมสวยความงามทางร่างกายห้ามไม่ให้นอนหลับมากจนเกินไป ไม่ให้สบายเกินไปจากการหลับนอนให้นอนบนพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่มากพอร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายจะได้ลุกขึ้นมาภาวนานั่นเองสิน8แปดนี้มีไว้เพื่อต้อนผู้ปฏิบัติคืนเราให้เข้าไปสู่การภาวนา ถ้าไม่มีศีลแปดมันก็จะทะเลถลายเดี๋ยวงานเพื่อนวันเกิดเดี๋ยวงานแต่งงานเดี๋ยวงานฉ ล, ลองนู่นฉลองนี่ต้องกินข้าวเย็นกันแล้วเดี๋ยวแฟนก็มาชวนแฟนเหง า, าอยากจ ะ, ะมีเพื่อนก็ต้องไปกับเขามันก็เลยทำให้ไม่มีเวลาไปภาวนาแต่พอถือศีลแปดนี่ใครมาชวนก็บอกว่าตอนนี้ถือศีลแปดไปไม่ได้ ทำไมศาสนาอิสลามก็ไม่กินหมูเขายัางทําได้ทําไมเราถือศีลแปดทำไมเราจะปฏิเสธเพื่อนไม่ได้เวลาเราเลี้ยงคนอิสลามเราก็รู้ว่าเขาไม่กินหมูเราก็ไม่เอ า, าเอาหมูเนื้อหมูมาบางัางคับให้เข า, เขากินแต่เราเป็นพุทธเราถือศีลแปดทำไมเพื่อนมักจะมาชวนให้เราศีลขาดกันทําไมเมื่อรู้ว่าเราถือศีลแปดก็อย่ามาชวนเราไปอย่าชวนเราไป ทำกิจกรรมที่ศีลแปดห้ามการถือศีลแปดนี้เพื่อให้เราได้ไปปีกวิเวกความจริงเป้าหมายก็คือให้เราไปอยู่คนเดียวให้ไปอยู่ที่สงบที่ไม่มีอะไรมาลบกวนใจเพราะการภาวนาเพื่อให้เกิดความสุขใจนี้ต้องอยู่ห่างไกลาจากแสงสีเสียงต่างๆนั่นเองเพราะถ้าอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงแล้วมันจะมา ลบกวนใจมันจะมาคอยหลอกล่อใจให้ไปดูไปฟังพอได้ยินเสียงอะไรแล้วอยากจะกลับไปฟังเสียงนั้นเออพอได้กิ่นอะไรแล้วอยากจะกลับไปสัมผสัสกับกิ่นนั้นคนถือเส้นแปะถ้ารักษาอยู่ที่บ้าน<ม>อยู่กับคนอื่นนี่จะยากถ้าคนอื่นเขาไม่รักษาพอเวลาเย็นเขากินอาหารทำทำอาหารกินอาหารมันก็โชยเข้าจมูก มันก็จะทําให้ความหิวไก่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ก็จะไม่มีอะไรมาล่อใจให้ไปทําผิดศีลให้ไปอให้ไปทํากิจต่างๆที่ศีลห้ามไม่ให้ทำํำนี่อันนี้มีศีลมีหน้าที่เพื่อที่จะต้อนให้เราได้ไปสู่ที่ปฏิบัตินะให้เราไปปลีกวเว้ไปหาที่สงบ เพื่อที่เราจะได้มาเจริญสติกันก่อนก่อนที่จะทำใจให้สงบนี้ต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ถ้าควบคุมความคิดไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้ความสงบจะไม่เกิดแล้วเมื่อไม่มีความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะไม่เกิดการที่จะทาให้มีความสุขทางใจเพิ่มมากขึ้นได้จากการภาวนา ต้องฝึกสติให้มากๆต้องสามารถมีสติในระดับที่สามารถหยุดความคิดได้ถ้าหยุดความคิดได้แล้วจิตก็จะนิ่งจะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเวลาจิตนิ่งสงบเป็นสมาธิก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงขึ้นมานัตติสันติพลังสุขขังเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความสงบของใจ สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่ได้รับผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายสุขที่ได้รับจากความสุขสบายของร่างกายนี้สู้ความสุขที่ได้รับจากความสงบของใจไม่ได้ถ้าลองได้สัมผัสกับความสุขทางใจแบบนี้แม้แต่เพียงแค่มูลาบดิ้นก็จะติดอกติดใจจะไม่อยากที่จะกลับไปหาความสุขแบบเก่าอีกต่อไป อยากจะหาความสุขแบบนี้อยากจะทำให้ความสุขแบบนี้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและอยู่ไปนานๆเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเบื้องต้นความสุขที่ได้จากความสงบก็จะเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวช่วงที่เรามีสติกําลังพอที่จะหยุดความคิดได้ช่วงที่เรานั่งสมาธิมันก็จะสงบตอนต้นก็อาจจะสงบเดียวว เพราะกำลังของสติยังมีไม่มากพอแต่พอเราเห็นคุณค่าของสติแล้วต่อไปเราก็จะพยายามฝึกสติให้มากขึ้นช่วงที่เราไม่ได้นั่งเราก็หมั่นพุโทโธพุโทโธหรือหมั่นดึงใจให้หยุดคิดให้ให้รู้เฉย ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายแทนนะแทนที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คอยเฝ้าดูร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็เดินไปกับร่างกายกําลังยืนก็ยืนไปกับร่างกาย <c uman> ร่างกายอาบน้ําแปลงฟันก็อาบน้ําแปลงฟันไปกับร่างกายร่างกายทําอะไรก็ทําไปกับร่างกายไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นนี่ก็เป็นการหยุดความคิดโดยปริยาย หรืออีกวิธีหนึ่งก็ให้ใช้พุทโธพุทโธไปถ้าใจชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงแม้จะทำนูน่นทำนี่ก็ยังอดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ก็ต้องใช้พุทโธมาหยุดมันพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็พุทโธเลยพุทโธแล้วก็ไปทำกิจที่เราต้องทำอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปก็พุทโธก็กากับไปอย่างนี้ก็จะห้ามความคิดได้เหมือนกันนะเ แบบพุทธโธเราเรียกว่าแบบพุทธานุสตนะิแบบการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วเรียกว่ากายกตาสติทั้งสองแบบนี้ก็เป็นวิธีที่จะฝึกสติสร้างสติขึ้นมานั่นเองถ้าเรามีฝึกสติอย่างต่อเ น, นื่องพอเวลาที่เรามีเวลาว่างที่จะมานั่งสมาธิได้จิตก็จะสงบได้ง่ายอย่างง่ายและรวดเร็ว เวลาะเวลานั่งจะไม่รู้สึกอึดอัดจะไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี้มันเกิดจากกิเลสเกิดจากความอยากต่างๆความอยากที่จะไปทำนูน่นทำนี่พอไม่ได้ทำมันก็จะทำให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาแต่พอเราควบคุมกิเลสได้ด้วยการควบคุมความคิดความอยากจะไปน่นทำน่นทานี่มันก็จะไม่มีมันก็จะทาให้เหล่านี้ เวลานั่งไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เพราะนั่งเราก็เพ่งดูพุทโธไปก็ได้ถ้าเราใช้กายะกะตาสติเราก็เปลี่ยนมาเป็นอนาปนาสติแทนเวลานั่งสมาธิมานั่งดูลมหายใจแทนเพราะตอนนั้นน่่งกายไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูก็มาดูที่ดูที่ลมหายใจแทน ลมหายใจเข้าหายใจออกก็เรียกว่าอาณาปานะสติก็คือให้มีการระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกการระลึกอยู่กับเรื่องเดียวก็จะทำให้มีสติ ย, ยับยั้งความคิดต่างๆได้พออยู่ดูลมไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวจิตก็เข้าสู่ความสงบ แเวลาดูลมก็ไม่ต้องวิาพากษ์วิจารณ์ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ากําลังเข้ารู้ว่ากําลังออกให้รู้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นแถวปลายปลายจมูกเป็นจุดที่เราสามารถเห็นการสัมผัสของลมกับร่างกายได้แล้วก็เฝ้าดูอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกเพราะจะทําให้จิตทํางานนั่นเองเราต้องการให้จิตหยุดทํางาน วิธีหยุดทำงานก็ให้จิตรู้อย่างเดียวรู้เฉยๆถ้าตามลมเข้าไปตามลมออกมาจิตก็ต้องทำงานจิตก็จะไม่นิ่งไม่สงบนะยันเลือกเอาดูที่ปลายจมูกดูลมเข้าลมออกดังนั้นลมลมสั้นลมยาวก็ให้รู้ว่ามันสั้นมันยาวมันหยาบหรือละเอียดก็ให้รู้ว่ามันยาบหรือละเอียดถ้ามันละเอียดจนไม่สามารถมองเห็นมันได้ รับรู้ได้ก็ให้รู้ความว่างไปรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมให้รับรู้แต่คอยดูอย่าให้เกิดความคิดขึ้นมาให้ให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับความว่างไปเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเวลารวมนี้มันที่อาจจะรู้สึกว่าลมหายใจหายไปแบบแบบแบบคนที่เหมือนกับ สิ้นเพลิกลมหายใจหายไปแต่มันแบบไม่ได้ตายมันแบบสงบจิตมันจะวุบลงไปนิ่งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรพอมันนิ่งแล้วจิตไม่คิดไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นไม่ทำอะไรจิตจะมีแต่ความสุขมีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อุเบกขาคือไม่รักไม่ช่งไม่กลัวไม่หลง ไม่มีความรู้สึกอะไรกับสิ่งต่างๆที่สัมผัสรับรู้จะเฉยๆบางทีถ้าลงลึกมากเต็มที่ความรู้ ก, การรับรู้ของทางร่างกายก็จะหายไปรูปเสียงกลิ่นรสที่เคยเข้ามาทางร่างกายก็จะหายไปเชื่อก่าวตอนนั้นจิตเหมือนอยู่คนเดียวตามลำพังเหมือนลอยอยู่ในอวากาศไม่มีอะไรมีแต่ความว่างมีแต่ความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าฝึกสติมากแล้วเวลาสงบจิตก็จะสงบได้นานบางครั้งก็ได้เป็นชั่วโมงถ้าฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆจะมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นความคิดความปรุงแต่งน้อยลงไปเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้นาน แต่เวลาออกมานี่จะรู้สึกว่าเดียวเดียวคิดว่านั่งไปสิบนาทีแต่ดูนาฬิกาโอ้ผ่านไปต้องชั่วโมงก็มีแต่นี่นั่งแบบไม่หลับนะถ้านั่งแบบหลับนี้นั่งแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าสงบหรือไม่สงบนะแต่ถ้าสงบนี้ถ้ามีสติเวลาจิตสงบนี้จะรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้นี้ไม่สงบเดี๋ยวนี้สงบแล้วเมื่อกี้ดูลมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดูลมแล้วอันนี้มันต้องรู้ ถึงจะเรียกว่าสมาธิถ้านั่งเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมารู้ว่าอ่ะลืมตาขึ้นมาออกจากสมาธิอันนั้นออกจากสมาธิหลับไม่ใช่ออกจากสมาธิตื่นเราต้องการสมาธิตื่นคือมีการตื่นตัวมีการรับรู้อยู่ทุกเวลาทุกขณะนี่คือการทําสมาธิเนี่ย แต่พอออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้อุเบกขาที่ได้มันก็จะค่อยๆจางไปเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอ า, เอาออกจากตู้เย็นใหม่ๆ ม, มันก็ยังเย็นยังยังเย็นอยู่แต่พอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะค่อยๆหายไปถ้าเราอยากให้มันเย็นใหม่เราก็ต้องเอาเข้าไปแช่ในตู้ใหม่ ในช่วงที่เราทำสมาธินี้พอจากสมาธิมาเราก็พยายามประครับประคองความสงบนี้ด้วยสติตอบไปก่อนนะพุทธโธไปแล้วคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วพอความสงบมันหายไปหมดก็อยากจะสงบใหม่เราก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่พยายามทำสมาธิให้ชำนาญให้มันสงบอยู่ทั้งในขณะที่เรา เข้าไปในสมาธิและหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาทำจนสามารถมีความสงบได้ตลอดเวลาเราถึงค่อยไปขั้นต่อไปคือขั้นปัญญาเพื่อที่จะเปลี่ยนความสงบแบบชั่วคราวนี้ให้มันเป็นความสงบแบบถาวรต่อไปเพราะขั้นปัญญานี้จะมาคอยกำจัดตัวที่มาคอยทำลายความสงบของใจนี้ ตัวที่จะมาทำลายความสงบของใจก็คือความอยากสามประการความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญหรือสูญเสียร่างกายไปเรียกว่าความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต้องอย่าให้เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาถ้าเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นไตรลักษ ให้เห็นว่าสิ่งที่อยากนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงความสุขที่ได้จะเป็นความสุขชั่วคราวมันจะต้องหมดพอหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ถ้าไม่ต้องการจะเจอกับความทุกข์ก็อย่าไปทำตามความอยากเพราะสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการคือลาบยศสรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นอนิจจังทั้งนั้นไม่เที่ยง ไม่ใช่เป็นของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้ววันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดภาคจากกันพอเกิดการพัดภาคจากกันก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจขึ้นมาให้มาอยู่กับความสุขที่ไม่จากเราไปดีกว่าคือความสุขที่ในตัวเราเนี่ยความสุขที่เกิดจากความสงบพอพิจารณาด้วยปัญญาก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ พอหยุดความอยากต่างๆได้ความสุขที่ได้จากสมาธิที่ที่จะจางหายไปก็จะไม่จางหายไปเพราะไม่มีตัวที่จะมาทำให้มันจางหายไปมันก็จะสงบอย่างถาวรสงบทั้งที่ไม่ได้อยู่ในสมาธินี่เรียกว่านิพานความสุขความสงบของพระนิพาน ที่เกิดจากการได้ทำลายหรือยุติความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเพราะไม่มีความอยากมาทำลายความสงบที่ได้จากการใช้สติหยุดความคิดให้อยู่นิ่งเฉยๆก็จะไม่ทำให้ความสงบหายไป<ด>ก็ต่อไปก็ไม่ต้องทำอะไรเมื่อความสุขที่เราหามาได้มันไม่สูญหายไป ไม่ต้องรักษาไม่ต้องดูแลปล่อยมันไว้เฉยๆมันก็จะอยู่อย่างนั้นมันใคยสงบอย่างไรมันเคยสุขอย่างไรมันก็จะสงบอย่างนั้นสุขอย่างนั้นไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดภารกิจการหาความสุขให้กับพวกและให้กับตัวเราก็สิ้นสุดลงเราได้ถึงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยคือความสุขนี้พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระนิพพาน คือจิตใจของพวกเราที่มีความสงบมีความสุขไปตลอดเวลาเพราะเราสามารถกําจัดตัวที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ตัวที่จะมาคอยทําลายความสงบของใจได้อย่างถาวรคือทําลายความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็นนะความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ความทุกข์ก็หายไปความวุ่นวายใจก็หายไปเหลือแต่ความสงบ ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือวิธีการหาความสุขของพวกเราที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเราหากันทางร่างกายก็หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายให้พอเพียงไม่ต้องมากเกินไปไม่ต้องน้อยเกินไปให้พอเพียงแล้วก็หลังจากนั้นก็มาหาความสุขทางใจกันด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลห้า แล้วก็เพิ่มศีลห้าเป็นศีลแปดเพื่อไปภาวนาทําใจให้สงบขั้นตอนก็สงบชั่วคราวด้วยสติพอได้ความสงบชั่วคราวแล้วก็มารักษาความสงบชั่วคราวให้เป็นความสงบถาวรด้วยการใช้ปัญญามาคอยกําจัดเหตุที่จะมาทําลายความสงบของสมาธิคือความอยากทั้งหลายพอเราทําลายความอยากทั้งหลายให้หมดสิ้นไปแล้วความสุข ที่เกิดจากความสงบก็จะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นนิบานังปรมังสุขขังตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของการหาความสุขที่เอามาฝากท่านในวันนี้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเิวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังตุหังคิดเปเมวะสมิจฉตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะาเมณิโชติระโสยะาสัพพิตโยวิวัจจันโต สัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตอันตรายุสุขิทีคายยโกภวะภิวะธนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมมวะทานติอายุวันโสุขังภาลาง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 วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไรค่ะทาง f a c e b o o สามร้อยเก้า284ูสองร้อยแปดสิบสี่วิทยุออนไลน์ยี่สิบรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยแปดสิบสองรวมทั้งหมดหนึ่งรอขอพายค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าท่านค่ะโอเคถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ คุณแม่ชอบไปวัดและพูดคุยกับพระที่วัดนานๆนนตั้งแต่เช้าถึงบ่ายแก่ๆอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งแต่ทำให้คุณแม่ไม่ได้กลับบำเพ็ญภาวนาอีกทั้งคุณแม่ก็ยังติดต่อ ก, กับพระรูปหนึ่งที่เก่งด้านการจัดดอกไม้มากท่านไปจัดดอกไม้ตามงานบนุญและส่งทีมไปประกวดแข่งขันจัดดอกไม้ <c oughs> ทำให้หนูกังวลว่าบุคคลที่แม่ไปติดต่อ ไม่ได้ปฏิบัติตามกิจของสง์หนูควรคิดว่าเราไม่ควรจะไปตักเตือนผู้ใหญ่ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งการพูดออกไปก็เสี่ยงที่จะทำบาปคิดแบบนี้ถูกไหมคะก็ถูกก็แล้วถ้าแม่เขาไม่ถามเราก็ไม่ต้องไปบอกท่านแม่เขาอาจจะพอใจกับความสุขแบบนี้ก็ปล่อยเขาทำไป จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเหตุใดศา ส, สนาพุทธไม่ให้เชื่อเรื่องคำทำนายหรือหมอดทูทั้งทั้งที่ตอนที่พระพุทธเจ้าเกิดมากำเนิดมามีคนทำนายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องค่ะก็บางทีมันก็ถูกบางทีมันก็ไม่ถูกถ้าไปเชื่อเดี๋ยวมันไม่ถูกก็จะผิดหวังแล้วจะทำให้เราประมาทก็ได้ไม่ไม่ไม่ขวนขวาย ในเมื่อเขาทานายว่าจะต้องได้เราก็เลไอย่างนี้นก็ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เรื่องอะไรต้องไปทำนะพอไม่ทํามันก็เลยไม่ได้เหตนพระพุทธเจ้าบอกให้เชื่อกรรมเชื่อการกระทําของเราการกระทำของเราเนี่ยแน่นอนกว่าเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาถ้าอยากจะได้ผลอันใดก็ศึกษาว่าเหตุนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ทําเหตุนั้นแล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามมา นี่คือหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาไม่ให้เชื่อกํานายทายทักแต่ก็ไม่ให้ไม่ให้ลบหลูไม่ใหออ้ไม่ให้ไม่เชื่อเพียงแต่ให้ฟังหูไว้หูเพราะเรื่องของอนาคตนี้มันไม่แน่นอนเสมอไปบางทีก็ทํานายถูกบางทีก็ทํานายไม่ถูกคําถามจากคุณปารดาค่ะจิตของพระอรหันต ที่ยังดำรงขันอยู่จะเป็นนิพพานอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ครับมันเป็นตั้งแต่มันได้บรรลุปเป็นพาาระอรหันแล้วมันสุขตลอดเวลามันสุขแบบไม่มีวันสิ้นสะุดนะจะนั่งสมาธิไม่นั่งสมาธิก็สุขเหมือนเดิมคําถามจากคุณปนัดดาค่ะนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงเกือบทุกคืนเห็นจิตที่ปรุงแต่งและสงบมีปิติ หลังจากนั้นจะมีทุกขเวทนาทางกายก็ดูและเห็นการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปจนครบหนึ่งชั่วโมงก็นอนภาวนาต่อจนหลับแต่ก็ยังฝันเห็นคนตายหรือเรื่องราวต่างๆอย่างนี้แสดงว่าจิตยังไม่มีสติเวลาหลับใช่ไหมคะเวลาหลับไม่มีสติจิตมันก็จะคิดปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยที่มีอยู่ในจิตนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความฝันไปซึ่งความฝันก็บางทีเราก็เอามาทำประโยชน์ได้ก็เอามาทำประโยชน์เช่นเราเลึกถึงฝันว่าเรานอนตายไปเราตายไปตายไปแล้วเราก็ยังรู้อยู่ก็แสดงว่าเราไม่ได้ตายที่ตายก็คือร่างกายเรายังไม่ตาย เราก็จะได้เตรียมตัวตายเป็นว่าอตอต่อไปเราจะต้องตายเราไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องกังวลเราก็ปล่อยให้มันตายไปเหมือนกับที่เราเห็นมันตอนที่เรานอนหลับนอนที่เราฝันตอนที่เราตื่นเราก็ฝันฝันแบบลืมตาเวลาร่างกายตายก็เหมือนกับเราก็ดูมันไปมันมันไม่หายใจก็ปล่อยมันไม่หายใจไป ถ้าเราดูเฉยๆใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายคําถามจากคุณเปียนุชค่ะถ้ากลางวันงานยุ่งมากทําอย่างไรให้กํากับสติให้ทุกข์ที่เกิดจากงานกระทบเราได้น้อยลงเจ้คะงานต้องปฏิสัมพันธ์กับคนหลากหลายค่ะก็อาจจถ้าใช้สติไม่ได้คือพุโทโธไม่ได้ต้องใช้ความคิด ก็ใช้ปัญญาคอยสอนเตือนใจสอนใจว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวงานการต่างๆที่เราทํานี่เดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปหมดไป <c oughs> เดี๋ยวเราก็ต้องตายเราก็ต้องทิ้งมันไปงั้นเราก็ทําโดยไม่ไปยึดไปติดมันก็แล้วกันทำไปตามหน้าที่ทําไปตามเหตุผลได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าไปทําตามความอยากว่าต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ เพราะถ้ามีความอยากแล้วเวลามันไม่ได้มันจะเครียดเห็นทำตามความสามารถทำตามเหตุผลตามตามเหตุการณ์ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีให้คิดแบบนี้ทางปัญญาแล้วมันก็จะไม่เครียดกับการทำงาน คำถามจากคุณท็อปค่ะผมสงสัยว่าส่วนมากคนจะถวายผ้าขาวเพื่ออุทิศให้กับผู้ล่วงลับผู้ที่ล่วงลับนี้จะได้รับบุญในขณะที่พระท่านพิจารณาผ้าขาวไหมครับรับตอนที่ญาโยมได้ถวายเสร็จแล้วแล้วก็อนุแล้วก็อุทิศบุญถึงจะได้รับคนที่ถวายผ้านี้พอถวายผ้าเสร็จก็ ระลึกในใจขอทิตบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเขาถึงจะรับได้ถ้าถวายเสร็จแล้วยังไม่ได้อุทิศเขาก็ยังรับไม่ได้ คำถามจากคุณมอลลี่ค่ะลูกมีข้อสงสัยเรื่องการแผ่บุญที่เราเอ่ยว่าขอยกบุญกุศลที่เราได้ทำมาให้กับผู้นั้นผู้นี้หรือผู้ที่เราอธิษฐานจิตให้แล้วบุญของเราเนี่ยจะหายไปไหมคะเพราะเรายกบุญให้เขาไปแล้วไม่หรอกบุญที่เราอุทิศให้นี้เป็นบุญเหมือนน้ำที่ติดหรืออยู่ในแก้วเวลาเราดื่มน้ำที่อยู่ในแก้วหมดนี่มันก็ยังมีเศษน้าติดอยู่ในแก้ว นั่นแหะคือบุญที่เราอุทิศไปบุญส่วนใหญ่นี้เป็นบุญของเราอยู่กับเราคำถามจากคุณวินนี่ปฏิบัติปฏิบัติไปมากๆจะมีอภิญญามีฤทธิ์ติดมาด้วยไหมครับผมสามารถหลีกได้ไหมครับก็แล้วแต่วาสนาของแต่ละคนบางคนปฏิบัติถ้าไม่มีวาสนาทางนี้ก็จะไม่มี มองคนมีก็จะมีฤทธิ์ขึ้นมามีตาทิพหูทิพได้เ ล, ลึกชาติได้อ่านจิตใจของคนนั้นคนนี้ได้อันนี้ก็อยู่ที่วาสนาเดิมเคยสะสมมาในอดีตถ้าไม่เคยสะสมมาก็จะไม่มีไม่ต้องกังวลของอย่างนี้มันเป็นเหมือนของแถมได้ก็ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะเราไม่ต้องการปฏิบัติเพื่อมีฤทธิ์มีเดชเพราะมีฤทธิ์ไม่สามารถที่จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งที่เราต้องการก็คือวิปัสสนาปัญญาหรือวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ ที่เกิดจากการเจริญปัญญาเห็นตายละเห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่นั่นนั้นเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติการมีฤทธิ์นี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายถือว่าเป็นของแถมและในช่วงที่ปฏิบัติก็อย่าไปสนใจอย่าไปเล่นกับมันเพราะมันจะทําให้ไม่ไปทํางานที่ต้องทําคือไปมีดวงตาเห็นธรรม เวลามีเล็กก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในลิ้นชักก่อนอย่าเพิ่งมาเล่นกับมันมาทํางานทําการบ้านเตรียมตัวสอบก่อนพอสอบเสร็จแล้วก็เอาของในลิ้นชักมาเล่นเอาเกมขึ้นมาเล่นให้มันสอบผ่านก่อนถ้ายังสอบไม่ผ่านก็อย่าเพิ่งไปเล่นเกม คำถามจากคุณยานยานค่ะคุณพ่อป่วยเวลาออกจากโรงพยาบาลถามค่าใช้จ่ายดิฉันไม่อยากให้พ่อคิดมากจึงโกหกไปว่าราคาต่าๆค่ะอย่างนี้จะบาปไหมคะก็โกหกมันก็บาปเลยก็ไม่ต้องโกหกก็ไม่ต้องบอกก็ได้ผมเพราะไม่ต้องรู้หรอกเป็นห น, หนูจัดการให้อะไรก็พูดไปถ้าเราไม่บอกเขาก็ไม่สามารถที่จะมาเขี้ยวแกะให้เราบอกได้หรอก แต่ถ้าเราโกหกเราก็โกเราก็ทำบาปล้ะผิดศีลข้อสี่แล้วมูส า, างั้นก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกไปกันแล้วกันถ้าไม่ถ้ากลัวเขาแล้วเราจะไปดูยังไงเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้เขาอาจจะอนุโมทนาโอ้ oh, ลูกเรานี่รักเราเหลือเกินยินดีเสียสละเงินทองมากมายเพื่อเลี้ยงดูเรารักษาเรา ก็บอกไปตามความเป็นจริงเรื่องของพ่อเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาเมื่อเขาถามเขาอยากจะรู้ก็บอกเขาไปถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องปกปิดก็พูดไปถ้าจำเป็นต้องปกปิดก็อย่าพูดแต่อย่าไปโกหกเท่ น, นั้นเองคำถามจากคุณอาจารีค่ะตอนนั่งสมาธิกาหนดพุดโทโธแต่จับลมหายใจเข้าออกไม่ได้ต้องทาอย่างไรเจ้าคะ่ะ ถ้าพุโทโธก็ดูกับพุโทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องสนใจกับลมหายใจเข้าออกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้หรือเอาสองอย่างก็ได้แล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ความถนัดของเราคำถามจากคุณใหญ่คะ่ะยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นกิเลสโกรธราคะต่างๆบางทีวิ่งมาที่จิตแบบนี้ปฏิบัติมาถูกทางไหมครับ ก็ถูกท ถ, ถูกครึ่งหนึ่งคือเห็นแต่ยังหยุดมันไม่ได้ <c oughs> เห็นแล้วต้องหยุดมันได้ต้องกำจัดมันได้ถึงจะได้ได้เต็มเต็มรถเต็มร้อยตอนนี้ก็กำลังไปครึ่งทางมีสติเห็นความโลภความโกรธความหลงขั้นต่อไปก็ต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อยุติเพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงเวลามันโผล่ขึ้นมา <c oughs> คำถามจากคุณปียนุชค่ะการอ่านจิตใจผู้อื่นได้เราควรจะจัดการอย่างไรคะทราบว่าไม่ควรไปสนใจแต่เวลาเกิดขึ้นควรทําอย่างไรคะถ้ายังไม่เกิดก็ไม่ต้องไปสนใจเนะไปสนใจเรื่องที่มันไม่เกิดทําไมเอาเรื่องที่เกิดดีกว่าตอนนี้โลภโกรธหลงมันเกิดแล้วทํำยังไงดีกว่า คำถามฝากถามจากคนบนขาวค่ะถ้าเรามีความอยากจะให้ทรัพย์สินสิ่งของต่างๆให้กับพ่อแม่ญาติสนิทตลอดเวลาอย่างนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมคะไม่ก็เป็นการทำบุญนะเป็นการให้เพียงแต่ว่าอย่าให้เกิดกิเลสก็คือถ้ายังให้ไม่ได้หรือเราอยากให้อย่างนี้แล้วเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถึงจะเรียกว่าเกิดกิเป็นกิเลส ถ้าให้แล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าอยากจะให้แล้วให้ไม่ได้หรือเขาไม่รับเสียใจอย่างนี้ก็เป็นกิเลส ข, ขึ้นมาให้เขาแล้วเขาไม่รับก็เอาคืนเท่า น, นั้นเองไม่ต้องไปเสียใจถึงังไม่เป็นกิเลสจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าพระมหากัสปะได้มาแสดงธรรมะเป็นภาษาบาลีกับหลวงปู่สิมแต่ผ่านร่างของโยมอยากกล่าบเรียนถามว่าเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วจะมาแสดงธรรมะผ่านร่างมนุษย์ปุถุชนได้หรือไม่เท่าที่ได้ฟังธรร ม, มาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์แล้วจะผ่านการสนทนาทางจิตครับก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้ถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรา ก็ปล่อยเขาพูดไปเราก็ฟังหูไว้หูไปแล้วกันคำถามจากคุณวีแซงค่ะเมื่อก่อนเวลาเห็นคนเจ็บตาจะรู้สึกสงสารอยากไปช่วยเหลือเต็มที่แต่หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาเห็นคนเจ็บคนตายรู้สึกว่าเป็นธรรมดาของโลกวันหนึ่งเราก็หนีไม่พ้นก็เลยรู้สึกเฉยเยแบบนี้จะทาให้รู้สึกขาดเมตตาการุณาต่อผู้อื่นไหมครับ ไม่หรอกก็ทำอะไรได้ก็ทำให้เขาไปถ้าไม่ทำมันก็ขาดเช่นช่วยเหลือเขาได้ไม่ช่วยเหลือเขาก็แสดงว่าขาดเมตตาแต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าช่วยเหลือไม่ได้ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออย่างนี้ไม่ได้ขาดเมตตาเพียงแต่ว่าอยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้คำถามจากคุณสิริวันค่ะทำไมจิต ยังวนเวียนกับบุปการีผู้ล่วงลับไปแล้วแสดงว่าจิตเรายังไม่สงบใช่ไหมคะความผูกพันเนยบางทีตายไปแล้วดวงวิญญาณยังผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดวงวิญญาณเลยยังวนเวียนอยู่อยากจะอยู่ใกล้กับบุคคลนั้นไปก่อนคําถามจากคุณริกี้ กัาบเรียนถามเป็นความรู้ครับอยากทราบว่าพระอริยเจ้าแต่ละชั้นเวลาท่านฝันจะแตกต่างกันไม่อย่างไรครับโอยต้องไปถามแต่ละชั้นว่าท่านฝันยังไงก็แล้วกันไปสัมภัสออกแต่ละองค์ดูว่าแล้วกันขนาดคนยังฝันไม่เหมือนกันเลยจะไปถามพระอริยซึ่งหายากจะตายไปหมดแล้วเลยขอบเจ้า มีใครอยากจะถามอีกไหมหรือมีคำถามเหลืออยู่ว่าเปล่าไม่มีค่ะรอาจารย์มีใครถามอยากถามก็ยกมือขึ้นนะถ้าไม่มีเดี๋ยวก็จะได้ยุติการสนทนาไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด